คือบุญที่เกิดจากการทำทานนอกจากนั้นแล้วไม่จำเป็นไม่มีเงินทองเราก็สามารถทำบุญได้เราก็สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วบุญที่เกิดจากการทำทานก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราไม่มีเงินวันไหนเราไม่มีเงินทำบุญทำทานเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ ไม่ทก็ไม่ได้ทาให้เรารู้สึกเศร้าอกเศร้าใจเสียอกเสียใจหรือรู้สึกเหงาว่าวเวแตอย่างใดเพราะเราสามารถทำบุญแบบอื่นได้ดังนั้นการทำบุญนี้เป็นการกระทําที่ง่ายง่ายกว่าการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆการจะ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 อันนี้จะเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนแก่ใจใจจะมีความรู้สึกหดหดเศร้าซ้อยหงอยเหง า, ว, าว้าวเวยลำคาญใจนี่คือเรื่องของการทำทานเป็นการใช้เงินซื้อความสุขที่ถูกต้องที่ไม่มีโทษตามมาดีสำหรับคนที่มีเงินทอง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 บุญข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ทำบาปการรักษาศีลห้าสองการทำบุญตามอัตภาพมีมากมีน้อยก็ทำไปตามอัตภาพสวรรค์ก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงหรือต่าไปตามบุญที่ได้ทำไว้มากน้อยทำน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ําทำมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงสวรรค์ที่แบ่งเป็นต่ําหรือสูงก็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 วันนี้ฝนจะมาอีกแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจถ้าอยากจะขยับขยายก็ต้องขยับขยายถ้าจะนั่งต่อก็ก็อาจจะเปลี่ยกนิดหน่อยหรือว่าเทวดาจะพรอมน้ำพรอมน้ำมนให้รับน้ำมนจากเทวดาก็ไม่ต้องขยับ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 ตายไปเราจะไม่ขาดทนตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วอันนี้เกิดจากการที่เราทำบุญสองข้อข้อหนึ่งคือทานการให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยข้าวของเงินทอง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 จะอาจจะเสี่ยงต่อการไปทำบาปเพราะถ้าอยากจะหาเงินแบบง่ายๆหาเงินแบบเร็วๆแบบง่ายๆมากๆวิธีที่จะหาได้ก็คือต้องทำบาปไปช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆนั่นที่เราคงจะได้อ่านในข่าวข่าวกันได้เห็นในข่าวข่าวกันคนที่ไปช่อกงเงินของเงินทองของผู้อื่น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 การทำบุญทำทานการรักษาศีลพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำบุญข้อที่สคือให้ภาวนาการภาวนานี้เป็นการทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองอเพียงแต่ให้รักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสาข้อคือศีลห้าให้ถือให้รักษาศีล8ปดเพราะการที่เราจะภาวนาได้เราต้องมีเวลา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 ร่วมหลับนอนกับแฟนได้ถ้าเราอยากจะสร้างความสุขที่ใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการทาบุญทําทานจากการรักษาศีลหเราก็ต้องมาภาวนาการภาวนาได้เราก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะให้เราละเว้นจากกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ จะได้จากความสงบไม่ได้เช่นการร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองมันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งแต่มันเป็นความสุขที่หยาบ ก, กว่าความสุขที่จะได้จากการทําใจให้สงบเป็นความสุขที่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ร่วมหลับนอนกับแฟนหรือจากการลอดประทานอาหารตามความอยากต่างๆ หรือจากการดูมหรลศบันเทิงอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวความสุขระยะสั้นๆแล้วก็จะทำให้เกิดความหงกเหงาเกิดความว้าเวได้เวลาที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขเหล่านี้ได้แต่ความสุขที่เราจะได้จากการภาวนาคือส ม, มถภาวนาขั้นที่หนึ่ง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 เมื่อเราไม่ต้องอาศัยอะไรมาสร้างความสุขแบบนี้แต่เราอาศัยความสุขทําความสุขแบบอื่นเราต้องอาศัยสิ่งอื่นมาให้ความสุขเช่นถ้าเราได้รับความสุขจากการดอับนอนกับคู่ครองของเราเราก็ต้องมีคู่ครอง <น emission. S 1> เวลาใดที่เราเสียคู่ครองไปเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ <siz? S 1> แล้ว <S <S ถ้าเราหาความสุขจากการรับประทาน อาหารแบบตามความอยากเวลาที่ไม่สามารถรับประทานได้ก็จะไม่มีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเราไม่สามารถหาความสุขจากการดูภาพยนตร์มหลัลพบันเทิงอะไรต่างๆได้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ความสุขที่เราได้จากการภาวนาคือสมถะภาวนาทำใจให้สงบเลย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 ก็คือแสงสีเสียงต่างๆรูปเสียงกิ่นรสต่างๆของบุคคลของเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีบุคคลพลุกพล่างมีเหตุการณ์ต่างๆมันจะเข้ามารบกวนกับการทำใจให้สงบใจเราจะอดที่จะไปคิดถึงสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรูบร้ไม่ได้มีเสียงมากระทบกับหูใจเราก็จะตามไปกับเสียงนั้นเห็นภาพก็จะตามไปกับภาพนั้น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 ความคิดก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้อยู่คิดถึงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ได้อยู่อันนี้จะตอนเป็นจะต้องใช้สติตัวที่จะมาหยุดความคิดได้สติก็คือการให้จิตระ ล, ลึกลู้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าให้ระ ล, ลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวจิตก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ใชงใหมระ ล, ลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธให้มันพุทโธพุทโธไป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 ฉันดูตั้งแต่ยกเท้าก้าวขึ้นมาแล้วก็วางยกเท้าก้าวแล้วก็วางเดินไปหรือถ้าจะใช้คาว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้เวลาเดินเราก็ดูตอนเรากลังก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เราก็เป็นการสร้างสติขึ้นมา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 เพราะร่างกายยังต้องได้รับการดูแลนั่งไปเดี๋ยวสักพักก็ต้องออกมาหาน้ำกินบ้างหาํามขับถ่ายบ้างอะไรต่างๆเปลี่ยนอิเลาาบทั้งนั่งนานๆมันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ได้<ม>ก็ยังไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาพอออกจากสมาธิมาความสงบก็จะค่อยๆหายไปเรื่อย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 ห้าไม่ให้มันหายไปไม่ได้ความสุขที่เราได้จากการทําตามความอยากนี้มันจะหายไปเราห้ามมันไม่ได้พอมันหายไปใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือการเห็นไตรลักษณ์เรียกว่าปัญญาสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของไม่ใช่อยู่ในภายใต้การควบคุมบังคับของเราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้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 เพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปนี่คือปัญญาถ้าเราอยากที่จะรักษาความสุขความสบายใจที่เกิดจากการทาใจให้สงบพอจากสมาธิมาใจเราจะสบายไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากแต่พอมีความอยากขึ้นมานิใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีวิธีจะแก้ความร้อนแก้ความอึดอัด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 ในสมาธิแล้วถึงค่อยไปขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนาเพื่อที่จะใช้เป็นตัวทำลายความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการการเข้าไปในสมาธินี่คือบุญข้อสามข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันถ้าเราทำเพียงสามข้อแรกนี้ได้ก็พอเพียงแล้วเราจะได้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 เราพวกที่เป็นชาวพุทธที่เชื่อบุญเชื่อในการอุทิศบุญเราก็อุทิศไปการต้นเราก็เอ่ยถึงผู้คนที่เราต้องการอุทิศให้ก่อนเช่นเขา อ, อุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบิดามันดาปุย้าตายายถ้าไม่มีถ้าท่านไม่ได้รับก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไปใครที่รอรับอยู่ก็ให้เขาเอาไปได้อย่างนี้ก็เป็นการทำทานอีกอย่างหนึ่ง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 น้ำเป็นตัวอย่างของบุญเพราะบุญเป็นของที่มองไม่เห็นกับตาเกิดเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างสมมติว่าน้ำนี่เป็นบุญแล้วเราก็เทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนถ่ายบุญจากใจเราไปสู่ใจของผู้ที่ร่อมรับไปแล้วนี่คือความหมายของการใช้น้ำอุทิศบุญเป็นตัวอย่างระหว่างภ า, าชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่ง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 ไม่ต้องมีไม่ต้องมีน้าเพียงแต่ขอให้เราร้นลึกภายในใจขึ้นมาเท่านั้นว่าขอทอิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้ารอรับอยู่ก็ขอมารับไปได้เลยถ้าไม่ได้รับถ้าทราบก็ขอให้อนุโมทนาแล้วสำหรับผู้ที่ไม่มีญาติถ้าต้องการมารับส่วนบุญส่วนนี้ก็ขอให้รับไปได้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 พระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนให้ไปนั่งสมาธิแล้วแผม่มแล้วก็อุทิศส่วนบุญท่านสอนให้เราทำบุญทาทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั้นไปนี่ก็คือเรื่องของบุญอุทิศนอกจากทำบุญอุทิศแล้วเรายังสามารถทำบุญชนิดอื่นได้อีกถ้าเรามีโอกาสเช่นถ้าเราเห็นใครเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราไปช่วยเหลือเขาอันนี้เราก็ได้บุญ นบุญอย่างนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองเราก็สามารถมีความสุขได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราทำตัวเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่อวดเก่งอวดดีเราก็จะาได้บุญเราจะมีความสุขใจ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 แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีแต่คนรักคนชอบเราก็จะมีความสุขวเวลาที่เราได้อยู่กับผู้อื่นนี่ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่งเราสามารถสร้างความสุขใจให้กับเราได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง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 นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ได้บุญนะมีปัญญาเห็นตอยรักเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วหยุดความยากต่างๆได้ก็ได้บุญแล้วนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วบุญอีกข้อหนึ่งที่จะเกิดก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าบุญคืออะไรวิธีจะทำบุญทาอย่างไรถ้าเราไม่รู้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 ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปะเรปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโยะถามณิโชติ ภราสยาาสพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีฤทธะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวัฏานติอายุวโนสุขัง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 ก็มีส่วนเนี้่ยถ้าเราไม่อยากจะทํำแ บ, บแาปล้วก็ต้องขอตัวขอเข้าห้องงามไปหมอทำคนเดียวผมปรดีปวดท้องคือเ ป, เ, ปเป็นเป็นหน้าที่ที่ต้องก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยน้าที่หรือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนกอย่าไปทํำแผนกที่ต้องฆ่าคนไปทํำแผนกที่ช่วยรักษาชีวิต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 ถ้าเาเห็นชีวิตของเรามีคุณค่าคนอื่นเขก็ต้องเห็นชีวิตของเขามีคุณค่าเหมือนกันเขาราักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเราไม่อยากให้ใครมาฆ่าเขาก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเห็นพระพุทธเจ้าถททึงสอนว่าอยากฆ่ากันให้ตายโดยธรรมาชาติมันเป็นกรรมของเขา ท, ที่จะต้องมาเกิดเป็นพิการก็เรื่องของเขาไปแล้วอย่าไปเป็นพระเจ้าแล้วอย่าไปเป็นเ พ, เพชฌฆาตตัดสินชีวิตของผู้เลยปล่อยให้กรรมเป็นผู้กรรม ก ำ, ำหนดชีวิตของเขาดีกว่าเขาทำกรรมใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเท่านั้นเองนะงั้นอย่าไปเสี่ยงกับการได้เงินทองเงินเดือนมาไม่กี่ตังค์แล้วต้องไปเสี่ยงกับการต ก, ลลกนระกไ้เกิดนาบายได้ไม่คุ้มค่าก็นะขอเปลี่ยนแผนกไปก็แล้วกันแผนกจ่ายยาหรือแผนกทำแผลหรืออะไรก็ได้ พอดีวันวันนั้นเป็นอีกทีมหนึ่งแต่พอดีอ่าผมก็เข้าไปช่วยในลักษณะที่ทําออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บของอะไรช่วยเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้สร้าถ้ า, ามันเรียบร้อยแล้วก็ตายไปแล้วเราก็ไม่มีส่วนแต่ถ้าก็ยังไม่ตายเราไปช่วยทําให้เขาตายเราก็มีส่วนครับอันนี้สบายใจได้แล้วใช่ไหมถ้าไปเก็บของอะไรเงี้ยไปเก็บซาเนี่เป็นศัพเปอร์เลยนี่ไม่เป็นไรครับ เขาตายไปแล้วเราไม่มีส่วนทำให้เขาตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยคุณครับอาจารย์ทางนน้นต่อเลยพูดใกล้ๆไหมหน่อยอันนี้ผมมาพบประจาร์ครั้งที่สองครับตอนนั้นผมเป็นพระที่บวชจากวัดประลาบกาวสองเดือนก่อนตอนนี้เป็นกระว่าแล้วนี่ผมจากจากาบเรียนถามอาจารย์เล็กน้อยนะครับคือผมไปเข้าสัมมน า, าของฝรั่งเนี่ย เขาก็สอนว่าชีวิตคนเรานี่จะมีความสุขเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องแค่ๆติงบิ๊กมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็ต้องคิดตั้งโก a ที่เราต้องการเช่นว่าอยากมีเงินเดือนเท่านี้อยากมีบ้านอย่างนู้นอย่างนี้อยากมีรถอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับให้เราคิดถึงมันทุกวันน่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เราเหมือนพยายามผลักตัวเองไปให้ถึงอย่างเงี้ยเพราะเราจะมีความสุขอย่างเี้มันแต่พอมาคิดทั้งทางพุทธทั้งพุทธเหมือนกับว่า ให้เราอยู่สันโดษ้อใจสิ่งที่มีแล้วเราก็มีความสุขมันก็เหมือนว่ามันก็เป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกันนี่เรื่องอาจารย์ครับอาจารย์มีความเห็นยังไงก็ความคิดหนึ่งเ็าเรียกว่าความคิดผิดไงมิจฉาทิฏฐิความคิดหนึ่งเป็นความคิดถูกเหมือนสมัยก่อนคนคิดว่าโลกแบนกับคนที่คิดว่าโลกกลมมันก็เป็นความคิดที่ถูกอันนึงแล้วต้องผิดอันนึงใช่ไหอ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 นะตั้งเป้าผิดมันก็จะไปเจอความทุกข์ตั้งเป้าถูกก็จะเจอความสุขตั้งเป้าด้วยการทําบุญสิบ ป, ประการที่พุทธเจ้าสอนให้เราทําอันนี้รับรองจะได้ความสุขแ น, น่ๆถ้าตั้งเป้าไปที่ลาบยศเสริญก็จะต้องเจอความทุกข์ต่อให้เป็นนายกก็ทุกข์เนี่ยไปถามนายกทุกวันนี้สุขหรือทุกข์เวลาได้เป็นใหม่ๆก็สุขนะแล้วตอนนี้ก็ถูกคอนคอยมาเขีย่ยวมาเตะมา การนะกหนมาอะไรอยู่ทุกวันทุกเวลามีความสุขที่ไหนใช่ไหมเออพใจอย่างเออช่วยส่งมใหมกลับมาคำถามฝากถามจากทางไลน์ค่ะถ้าอาดีตคนที่เคยทำบาปผิดศีลอาจผิดศีลข้อหนึ่งฆ่าสัตว์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 แต่บางทีถ้าเราบรรลุธรรมแล้วค่อยตามมาอย่างพระโมคคัลลานะนี่ท่านบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ก่อนแล้วเจ้ากรรมในเวรค่อยตามมาทันท่านก็ไม่เดือดร้อนเลอยากจะฆ่าท่านก็ปล่อยให้ฆ่าไปแต่กรรมนี้เราห้ามมันไม่ได้ถ้าถึงเวลามันจะส่งผลมันก็ต้องส่งผลคําถามจากทางไลนมีสี่ข้อค่ะ ผมได้ภาวนามาประมาณ5 6ถึงหปีโดยการเจริญสติทุกอริยาบทในชีวิตประจำวันจนถึงขณะก่อนสลับและจะเจริญสติแทบทุกครั้งที่รู้สึกตัวตื่นทำความสงบและพิจารณาทางด้านปัญญาสลับกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับกาเรียนถามดังนี้ปัจจุบันนี้ผมสติค่อนข้างดีมากทำอะไรผิดพลาดได้ยากมากๆและสิ่งที่ปรากฏคือข้อหนึ่ง ผมเป็นคนที่มีความจำดีมากแต่ปัจจุบันเรื่องไหนที่ไม่ตั้งใจจริงๆมักจะลืมง่ายมากๆก็เป็นธรรมดาความจำถ้ายิ่งอายุมากมันก็จะจดจำได้ยากขึ้นมันจะลืมได้ง่ายขึ้นมันเป็นธรรมชาติของความจำแต่สิ่งที่เรารู้นี้มันจะไม่ลืมสิ่งใดที่เรารู้เราเข้าใจนี้มันจะอยู่กับเราเช่นเราเคยทำอะไรนี้มันจะไม่ลืมมันทำได้ขับรถได้มันก็จะขับไปได้เรื่อยๆ ม, ม, มันไม่ต้องใช้ความจำ ม, มันใช้ความจำนานอะไรที่เป็นความจำนานแล้วมันจะไม่ลืมข้อสองในหลายๆครั้งต้องตั้งใจให้คิดถึงจะคิดได้คือต้องพาคิดก็พาคิดไปสิถ้ามันต้องพาคิดก็คิดไปก็พาคิดไปในทางที่เป็นมักงก็แล้วกันอย่าพาคิดไปในทางที่เป็นสมุทัยอย่าสมุทัยก็คือทางของกิเลสตัณหา ให้คิดไปในทางมากคือการละการลดละความอยากต่างๆลดละความโลภต่างๆให้มันคิดไปในทางนั้นเออราไมันคิดไปในทางอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้มันคิดถึงความตายเรื่อยๆมันแล้วจะลดความโลภได้ลดความอยากได้ข้อ3บางครั้งพอคิดถึงเรื่องธรรมะหรือเรื่องโลกก็ตามเมื่อคิดคิดไปความคิดนั้นจะหายวับไปตกไป บางครั้งคิดไม่ทันจบเรื่องนั้นเรื่องนั้นเหมือนไม่ได้คิดมาก่อนหน้านี้ถ้าไม่คิดก็ดีถ้าปล่อยให้ใจว่างได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญตัวปัญหาก็คือตัวความคิดใช่ความคิดนี้มันเป็นปัญหาก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ถ้ามันคิดไปในทางกิเลส ก, ก็เป็นปัญหาขึ้นมาทําให้ใจเราวุ่นวายถ้ามันคิดไปในทางธรรมะมันก็จะทําให้ใจเราสงบ แต่ถ้ามันไม่คิดมันก็สงบอยู่ดีงั้นไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่มีความคิดอดีไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆไปไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรข้อที่สี่ข้อสุดท้ายในหลายๆครั้งขณะพูดพอพูดพูดไปความคิดในเรื่องที่พูดขณะนั้นๆจะหายวับไปขาดไปจนบางทีพูดไม่จบในเรื่องนั้นไม่ได้ลืมครับแต่มันขาดไปขาดก็ขาดไปเสียรู้ไปตามความเป็นจริง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 คำถามจากคุณอุ้มมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาปัญหาต่างๆแล้วกระผมเลยบอกเขาว่าตั้งสติแล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วปัญญาจะเกิดกระผมทําถูกไหมครับช่วยแนะนําด้วยครับไม่ถูกหรอกคือปัญญาไม่เกิดจากการพุทโธพุทโธการพุทโธพุทโธจะเกิดความสงบทําให้ใจเราลืมเรื่องที่ทําให้เราเกังวลหรือทุกข์ได้แต่มันจะไม่หายเพอพอเรา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 เราสามารถระ ง, งับความวุ่นวายใจได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันแก้ไม่ได้แก้รไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ก็เท่านั้นเองใจเราก็จะสบายใจเราก็จะสงบคําถามจากทางอินบอ็อกซ์ค่ะคุณชิดาพราู้อยากทราบว่ายุงที่เป็นลูกน้ําที่ขังอยู่ในถ้วยเป็นจมือนมากถ้าเทลงบนดินโดยไม่ไปปล่อยในน้ําจะบาปไหมคะเพราะยุงเป็นพาหะตายหรือเปล่าถ้าตายก็บาดเล ถ้าไม่ตายก็ไม่บาปมันมันอยู่บนดินได้หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้ก็ตายก็ไปปล่อยในบึงในลำคลองที่ไหนก็ได้เนี่มันเป็นพาหะเราก็เป็นตัวร้ายเนี่ยเราฆ่าสัตว์กันมากมายเนี่ยฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่าควายกันเยอะแยะทำไมเราไม่มาฆ่าพวกเราเองบ้างไปฆ่ายุงที่เป็นพาหะเห็น ไ, ไหมคำถามจากคุณสุทาสินี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 เอาเวลาไปทำงานเป็นรายได้แทนทำงานในวัดแทนช่วยทำงานในวัดก็ไม่ได้ทำทั้งคืนทั้งวันใช่ไหมทำช่วงช่วงที่มีการกระทำเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็กลับไปอยู่ที่ภาคของเราปฏิบัติธรรมได้คำถามจากท่าน a c e b o o k คุณนัทธิดาหลังจากไหวพระสวดมนต์แล้วเอาเงินถวายพระใส่ในกระปุก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 คำถามจากเด็กชายเดียนมัสการครับพระอาจารย์ผมขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบคำถาม3มข้อครับข้อหนึ่งการที่เราตำหนิด่าว่าโทษตัวเองเมื่อตอนทำผิดอย่างไร้สติแม้จะไม่ผิดศีลข้อห้าแล้วทำให้รู้สึกโขดหูทุกในความผิดของตนทั้งวันอย่างนี้กระผมทาถูกหรือไม่ครับการดูด่าว่ากล่าวตักเตือนเหล่านี้ไม่ผิดถึงแม้จะว่าใช้คาหยาบก็ไม่ผิด ถ้าอยู่ในใจไม่ได้กล้าออกมาทางวาจาเพราะบางทีกิเลสของเรามันหน้าด้านมันหยาบเราก็ต้องใช้คำหยาบหยาบด่ามันให้มันเกิดความสะดิ้งเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าด่ามาแล้วแล้วทำให้เราไม่กล้าทำอีกก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าด่าแล้วมันยังกลับมาทำเหมือนเดิมก็อย่าไปด่าให้เสียเวลาด่านี้เพื่อให้มันกหลับเพื่อให้มันเพื่อให้มันเลิกให้มันกลัว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 แล้วใจสงบจากการที่เราใช้การพิจารณาหรือเพ่งอาการเหล่านี้ก็เรียกว่าสมถภาวนาส่วนวิปัสสนาก็คือถ้าเราจําอาการต่างๆเหล่านี้ได้เวลาเราไปเห็นคนสวยค น, คนเงอะคนหล่อแล้วเกิดความอารมณ์ขึ้นมาเราก็ให้นึกถึงอาการสามสิบสองขึ้นมาถ้าเรานึกขึ้นมาได้มันก็เป็นวิปัสสนาเพราะมันจะทําให้เราดับความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับเขาได้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 ตัวเสื่อมศรัทธาออกมาเราก็ต้องใช้การระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาเกิดตัวโลบโผู่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้มรณาอนุสติคิดถึงความตายพอตายมันก็อยากไม่อยากโรคเนี่ยถ้าเราไม่สบายใจไปไม่ไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายนี่เรายังอยากจะได้อะไรก็ว่าใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้แล้วก็จะสามารถกำจัดปัญหาต่างๆได้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 h a n